้องสังเกตนะใช้ตาใช้หูของเรานะหรืออาจจะรวมถึงการใช้จมูกของเราด้วยในการรับรู้ธรรมชาติากลางคืนอย่างนี้เราก็อาจะได้ยินเสียงนะเสียงแมลงเสียงสกางเสียงเก้งหรือเสียงนกนะ พอสว่างนี่นะลองใช้สายตาของเราสังเกตดูความเป็นไปรอบตัวอาจจะได้เห็นนก น, ะนานาชนิดนะที่เขาอาจจะอาศัยต้นไม้นี่เป็นที่อาศัยหลบซ่อน นกแต่ละชนิดนี่ก็มีนิสัยนะมีธรรมชาติที่น่าสนใจมันมีนกชนิดหนึ่งนะที่เมืองไทยคงไม่มีแต่มีที่เมืองนอกเรียกว่านกกินพึ่ง น, ะนกกินพึ่งนี่กินพึ่งเป็นๆ น, นะแล้วก็ แต่รถชนิดนี้เนี่ยก็รู้ว่าถ้าจะไปกินผึ้งจากรังเนี่ยโอ้มันยากมากเลยเพราะว่ารังนี้มีผึ้งเป็นเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยขืนไปทะเลยทะลากไปก็อาจจะโดนฝูงผึ้งนะลุมทําร้ายได้ผึ้งชนิดนี้รู้ว่าถ้าจะกินผึ้งเนี่ยได้เนี่ยต้องอาศัยตัวช่วยนะตัวช่วยคือใครนะ คือคนนั่นแหละทัว่วๆนี่คือคนเพราะคนเนี่ยนะคนไม่กินพึ่งนะแต่ว่าคนเนี่ยต้องการน้ำพึ่งทำยังไงอะ่ะนะต้องไปชวนมานกกินพึ่งนี่จะไปชวนคนมาแล้ว ก, กินพึ่งนี่จะไปเวลาเห็นคนเนี่ยนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านหรือว่าพวกพรานเนี่ยนกกินพึ่งก็จะไปไปบินวนอยู่รอบ นะหรือไปส่งเสียงร้องส่งเสียงร้องทำไมส่งเสียงร้องเพื่อเชิญชวนแต่ก่อนคนก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้นกชนิดนี้มันเรียกไปทาไมตอนหลังคนก็รู้แล้วอ๋อเขาเรียกไปนะให้ไปหารังพึ่งคนก็จะเดินตามนกนกก็บินอยู่ข้างบนนะเหมือนกับโดรนนะเห็นดโดรนเนมะื่อวานเนี่ย ส่วนคนก็เดินตามนกไปนกเนี่ยมันบินเร็วมันก็จะบินไปถึงรังมันไปถึงรังพึ่งก่อนมันไม่เห็นมันเห็นคนยังไม่มามันก็จะไปบินกลับไปหาคนใหม่แล้วก็ไปเรียกนะคนก็เดินตามนกก็บินบินตรงแน่วเลยนะดิ่งเลยไปที่รังพึ่งรอคนคนยังไม่มา มันก็จะบินไปหาคนใหม่อพอคนเห็นนกก็รู้แล้วว่าะจะไปทางไหนบางทีคนก็หลงทางนะนกก็คอยนำทางบินกลับไปกลับมาอย่างี้ยแหละระหว่างรังพึ่งหรือต้นไม้เนี่ยกับคนเพค่อยนำพาคนไปจนถึงรังพึ่งแต่ละคนก็จะสมควันนะสมควัน พึ่งนี่มันเจอควันมันก็กระจายเลยนะพอพึ่งหนีไปนะคนก็ได้รังพึ่งเอาน้ำพึ่งไปกินส่วนพึ่งที่มันโดนควันไล่นี่มันก็กระเจิงเลยนะครั้นี้แหละก็จะได้โอกาสของนกกินพึ่งละก็กินพึ่งไปทีละตัวทีละตัวจนอิ่มเลยนะก็เรียกว่า วินวินทั้งคู่นะนกก็ได้พึ่งคนก็ได้น้าพึ่งนะนกมันฉลาดนะมันรู้ว่าคนนี่จะช่วยได้ส่วนคนนี่ก็รู้จักกับอยู่กับนกเชน่นนี้มาจนรู้ว่าอ๋อนี่เขามาเรียกเรานะมันเรียกเราให้ไปกินให้ไปตีพึ่งหรือให้ไปสมควันไล่พึ่งแต่ครั้นี้มันก็มีมี มีรายละเอียดเพิ่มนะบางทีคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าคือนกเนี่ยอ่คือนกนี่เวลามันเป็นบินไปไปที่รังพึ่งอ น, นะนะมันเรียกคนมนแล้วคนก็เดินตามนกมันก็ไปบินรออยู่ที่รังพึ่งมันไม่เห็นคนมามันก็บินกลับไปเรียกคนคนเนี่ยนะถ้าสังเกตว่าเอ้านกมันหายไปนานนะ กวามันจะโพอไมท่ทีนี่บางทีครึ่งชั่วโมงนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าหลังพึ่งอยู่ไกลคนก็ขี้เกียจไปนะลังพึ่งไกลไปคนก็ไม่ไปแนละ้วคนก็ไม่เดินตามไม่ตามหาเพราะรู้ว่ามันไกลพึ่งมารอเห็นคนไม่ไปไหนนะคนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเนี่ยก็รู้แล้ไ ว, ว้ที่คนเนี่ยไม่ไปนี่ก็เพรละอะ เพราะมันไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนกก็เลยมีออกอุบายนะออกอุบายเ <Okay. S 1> วลาไปเนี่ยจะจ ะ, จะหายตัวไม่นานนะ mm hmm. เช่นแทนที่จะบินไปจับคนไปหารังพึ่งเลยเนี่ยสมมุติเป็นสองสามกิโลเนี่ยมันรู้ว่าขึ้นมนบินไปบินมาเนี่ยคนไม่ตามหรอกเพราะคนรู้ว่ามันไกลมันก็จะบินไปแค่บินไปแค่สักห้าร้อยเมตร แล้วมันก็กลับมาเรียกคนคนก็นึกว่าโอ๊ยลังพึ่งนี่อยู่ใกล้แค่นี้เองคนก็เดินตามนะกว่าจะรู้ว่าโดนพึ่งโดนโดนนกหลอกนี่ก็เดินไปเล่าเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคนบางทีโดนนกหลอกนะนกมันแกล้งหลอกว่าทางไม่ไกลหรอกมันก็แค่มันก็บินไปแค่ห้าร้อยไม่แล้วกลับมาที่จริงทางเป็นกิโลเลยนะ ตอนหลังคนก็รู้นะว่าถูกนกหลอกนะทํายังไงอ่ะทําไงจะแน่ใจว่าไ อ, อ้หลังพึ่งนี่มันอยู่ไม่ไกลหรือว่าอยู่ไกลทําไงจะแน่ใจว่าจะไม่โดนนกหลอกนะก็ต้องเดินก็ต้อง เ, อเดินไปข้างหน้านะ <c oughs> เพื่อดูให้แน่ใจว่าเอ้นกเนี่ยนะมันหลอกเราหรือเปล่านะเช่น <c oughs> ถ, ถ้ามันไปห้าร้อยเมตรแล้วไม่ทันถึงหลังพึ่งก็กลับมาเนี่ย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 เมื่ อ, เ ม, อเมื่อวานนี้เราก็ไปเห็นต้นไซนี่นะต้นไซใหญ่ต้นไ ซ, น, ไซนี่มันก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของของของสัตว์นานาชนิดนะไม่ว่าจะเป็นมแมลงไม่ว่าจะเป็นนกก็รอกลิงนะแต่ขณะเดียวกันต้นไซมันก็ต้องอาศัยอาศัยสัตว์ด้วยนะอาศัยมแมลงเพื่อที่จะทําให้มันเนี่ยสามารถจะแพร่พันธุ์ไปได้ไก ล, ไกล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 ก็ได้ประโยชน์นะทั้งต้นสายด้วยแล้วก็สัตว์ด้วยคนเราเนี่ยนะมันก็ได้ประโยชน์จากป่ามากมายได้ประโยชน์จากธรรมชาติมากมายนะทั้งเนื้อทั้งตัวเราเนี่ยนะทั้งเนื้อทั้งตัวเราเนี่ยมันก็เกิดจากธรรมชาตินะอากาศที่เราหายใจนะมันก็มาจากออกซิเจนนะที่ต้นไม้เขาผลิตมาให้ ที่จริงไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวนะโอ้ยมีอีกเยอะแยะเลยนะที่ก็ผลิตออกซิเจนให้เราแม้แต่สาหร่ายตัวเล็กๆที่มองเห็นตาป่าไม่มองด้วยตาปล่าไม่เห็นนะในทะเลเนี่ยก็มีพวกสาหร่ายนะเคลือแพ่งตอนนะแพ่งตอนนี้เล็กมากก็เป็นตัวผลิตออกซิเจนนะเนื้อตัวเราเนี่ยนะหนังเนือเราเนี่ยนะนะมันมาจากไหนมาจากอาหาร อาหารนี่มาจากไหนอาหารก็มาจากป่าอาหารก็มาจากธรรมชาติถึงแม้ว่าเราบอกว่าเออาหารนี่เราไปซื้อมาจากตลาดไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เกต็ตไปซื้อจากเซเว่นนะอันนั้นมันปลายทางแล้วแต่ต้นทางคือธรรมชาติแม้แต่นะจีวรหรือเสื้อที่เราสวมใส่เนี่ยนะมันก็ไม่ธรรมชาติใช่ไมฝ้าย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 ถลุงให้กลายเป็นเป็นเหล็กบ้างนะบางทีก็มาสังเคราะห์นะแต่ว่ามันก็ใหม่ธรรมชาติทั้งนั้นอลูมิเนียมเหล็กตะกัว่วพวกนี้ธรรมชาติทั้งนั้นทั้งนืน้ทั้งตัวเรานะตักไตใสพุงนี้มันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยอาหารอากาศแร่ธาต จากธรรมชาติเนื้เราไม่ได้บุญคุณธรรมชาติเยอะนะเราเคยเคยตัหนักไม่ว่าธรรมชาตินี่โอ้ยเขาก่อรูปก่อร่างเป็นตัวเราขึ้นมานะคนสมัยก่อนทิ้ยธรรมชาติเป็นแม่นะเป็นแม่แม่ธรณีแม่คงคานะแม่โพศนะแล้วเมื่อเรารู้อย่นี้แล้วเนี่ยควรจะสำนึกในบุญคุณของธรรมชาตินะ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 ก, กินันจนกระ ท, ทั่งใบใบแทบไม่เหลือเลยพุ่มไม้ที่มันหนาๆก็เลยบางที่มันเคยหลบที่มันเคยบางกวางได้มันก็บังไว่ได้แล้วพราะเพราพราะกวางกินใบไม้เนี่ยจนมันมันบางตายพรานเนี่ยนะมันไปตาไปตามล่าหากวางไปไม่เจอก็เลยวกกลับมากลับมาตรงจุดที่เคยเป็นพุ่มไม้ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่พุ่มไม้แล้วนะเพราะว่าใบแทบไม่เหลือแล้วกวางกินจนเพลินนะก็เลยนอนพลานกลับมาก็เจอเลยนะเจอเจอกวางกวางมันหนีไม่ทันก็เลยโดนยิงตายก่อนจะตายเนี่ยพลานก็ลำพึงว่าเนี่ย เรานี่มาอาศัยพุ่มไม้เนี่ยหลบภัยแต่เราไม่เห็นบุญคุณของพุ่มไม้นะเรากินใบไม้เนี่ยจนไม่เหลือเลยเนยพุ่มไม้มันก็เลยไม่สามารถจะบังเราได้ต่อไปก็เลยต้องตายนะก็มาได้สำนึกผิดนะว่าโอ้เป็นเพราะเราไม่มีความกตัญญูรู้คุณพุ่มไม้นะ เรากินใบมันจนหมดเลยเราจึงตายเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิทานในชาดกนะที่ก็ไม่ได้สอนกวางนะนิทานนี้เขาสอนใครนะเขาสอนคนนะว่าคนเราเนี่ยอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องรู้จักปกป้องรักษาหรือว่าขับรบธรรมชาตนะิไม่ใช่ว่าอาศัยธรรมชาติ ให้น้ำให้อาหารนะให้ที่พักให้ปัจจัยเสียแลเสร็จแล้วก็ทำลายจนไม่เหลืองั้นเราต้องนะต้องรู้จักเห็นคุณค่าธรรมชาติแล้วก็สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติแล้วก็ช่วยการรักษาเอาไวนะ้ผู้เจ้าตัดนะว่าผู้ใดเนี่ยอาศัยร่มเงาของ ต้นไม้นะอาศัยร่มเงาของต้นไม้ก็ไม่ควรริดกิ่งริดใบของต้นไม้นั้นเพราะผู้ผลุตสไลมิรเป็นคนเลวทรามนะในเมื่อเราอาศัยร่มเงาของต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำลายต้นไม้นั้นอย่าไปริดกิ่งนะหรือว่าโคนต้นไม้นั้นนะ แต่ลิขิตกิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นกูฎปทุสลามิตรนะและผู้ปทุสลายมิตร น, นี้เป็นคนเหลวสามอันนี้พระเจ้าสอนให้เรามองว่าธรรมชาติเนี่ยต้นไม้เป็นเป็นต้นเนี่ยเป็นมิตรนะเป็นมิตรไม่ใช่แค่ทรัพยากรนะเดี๋ยวนี้เราถูกสอนมาว่าผู้นี้เป็นทรัพยากรทรัพยากรก็ปรแปลว่าสิ่งที่จะมาสนอ ง, องความต้องการของมนุษย์นะ ต้นไม้นี้ไม่ใช่ทรัพยากรแค่นั้นนะเป็นมากกว่านั้นนะเป็นมิตรนะเป็นมิตรที่ช่วยให้คนเราเนี่ยจเจริญแล้วก็สุขสบายมาจนทุกวันนี้นะแต่ว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รักมิตรหรือว่าเคารพผู้มีพระคุณเท่าไหร่ยิ่งสบายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําลาย นะเพื่อจะได้เอาเอาทรั พ, พยากรเนี่ยนะเอาไมนะ้เอาสัตว์เอาแร่ธาตุเนี่ยมาใช้ปนเปื้อตวงมากขึ้นหรือแม้แต่ทําลายทําลายป่าเพื่อสร้างเขื่อนนะทําลายป่าเพื่อสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนไปทํำไมเพื่อผลิตไฟฟ้าและเราก็ใช้ไฟฟ้ากันอย่างฟุ่มเฟือยทั้งที่ ใช้อย่างประหยัดก็ได้แต่เราก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเปิดไฟทิ้งทั้งวันบางทีก็เปิดแอร์ทิ้งทั้งวันเลยนะไม่อยู่บ้านลนะ้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้เปิดน้าก็เวลาล้างหน้าก็เปิดทิ้งเอาไว้แทนที่จะเปิดเฉพาะเวลาจะใช้เราเอาความสบายนี้เราถือว่าความสบายเป็นพระเจ้าเ น, นเราก็เลยทำลายธรรมชาติ เสรแล้วตอนนี้เราก็ต้องมารับกรรมแล้วนะตอนนี้ฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตารฤดูการอากาศก็เป็นบลพิษดินก็ตายปลูกอะไรก็ไม่คย ข, ขึ้นน้ําก็เสียปลาในทะเลก็หดหายอีกไม่นานก็น้ําท่วมแล้วเพราะว่าเกิดปรากฏกา ร, โก ร, นนะร์โลกร้อนนะรู้จักไหมโลกร้อนอ่ะตอนนี้เนี่ยนะ พวกเราเนี่ยนะอีกสักห้าสิปีนะไม่ต้องห้าสปียี่สปีเนี่ยคงได้เจอแล้วล่ะตอนนี้ก็มันก็ปรากฏอยู่เป็นระยะระยะหรือว่าต่อเนื่องเพราะว่า2ี่สิปีนี่นะกรุงเทพนี่ก็คงจะโดนน้ำท่วมแนละ้วเกาะอีกหลายเกาะในมหาส Pacific, มาสุทรอินเดียก็จะโดนน้ำท่วมเพราะว่าน้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งขั้วโลกเหนือมันละลายนะ น้ำท่วมหลวงพ่อนี่อาจจะไม่ได้เจอแล้วแหะแต่พวกเราต้องเจอนะถ้าอายุสักสี่สิบห้าสิบเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นบุญคุณธรรมชาติเราไม่เคารพธรรมชาติเราเห็นแค่ตัวเราคิดว่าต้นไม้นี่เป็นแค่ซุงที่ยังไม่ได้ตัดเราไม่ได้รู้สึกว่าเขามีชีวิตนะมีชีวิตแบบที่เขารู้ร้อนรู้หนาวได้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 มากินใบไม้เนี่ยต้นไม้นี่มันจะส่งกลิ่นเนี่ยส่งกลิ่นไปทำไมส่งกลิ่นไปบอกพักพวกที่อยู่รอบๆว่ามีพายกำลังมาไอ้ต้นไม้ต้นอื่นที่มันได้กลิ่นเนี่ยนะมันได้กลิ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มเตยมตัวแนละ้วเตยมตัวรับมือกับไทยที่กำลงังมาเตยมตัวยงไง ร, รู้ไหมมันก็จะเริ่มผลิตผลิตสารพิษขึ้นมา เริ่มผลิตสารพิชขึ้นมาตามใบไม้อันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกสัตว์เนี่ยมากินต้นไม้ต้นอื่นต้นแรกที่ถูกกินเนี่ยมันจะส่งสัญญาณนะเ ป, นเป็นกลิ่นนะคล้ายๆกับมดเนี่ยเวลามดนี่มันส่งสัญญาณก็ส่งสัญญาณทางกลิ่นไม่ไม่มีภาษาพูดนะมดเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณก็คือฟีโลโมโลนนะฟี โ, โลโมนเป็นกลิ่นนะ ต้นไม้นี่เขาก็พบว่ามันส่งกลิ่นนะแต่ไม่ใช่ฟีโรโมนนะมันส่งสัญญาณเป็นกลิ่นเป็นสารให้ต้นไม้ต้นอื่นๆคอยรู้ว่าเอ้ยเตรียมตัวนะกำลังจะมีสัตว์ร้ายมากินใบของพวกเราแล้วนะก็จะเตรียมส่งปล่อยสารพิษออกมาตอนนี้เขาพบว่าต้นไม้นี่มันอยู่กับเป็นครอบครัวเป็นมันไม่ใช่ครอบครัวนะอยู่กัเป็นเมืองนะเป็นชุมชน นะต้นไม้นี่อยู่เป็นชุมชนไม่ใช่ต่างต่างคนต่างอยู่นะเป็นชุมชนเลยนะแล้วก็เหมือนกับคนแหละค น, นเขาเรียกเป็นสัตว์สังคมนะอยู่กันเป็นกลุ่มต้นไม้ในในป่า น, นี่เขาเรียกเป็นพืชสังคมนะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วคอยช่วยกันอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่งรู้นะแล้วก็คงจะมีคงจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นเนี่ยดี๋ยวนี้เขาเพบว่าต้นไม้เนี่ยเขาต้นไม้ทุต้นไม้ในป่าต้นไหนถูกตัดนะถูกโค่นนะเหลือแต่ตอเนนี้มีบางต่อนะที่ไม่ตายนะจะมีบางตอที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าต้นไม้รอบๆข้างเนี่ยเขาจะเลี้ยงเอาไว้รากเนี่ยรากของมันเนี่ยจะคอยส่งส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงต่อเอาไว้ แต่ก็จะเป็นเฉพาะตอบางต้นนะไม่ใช่ตอทุกต้นนะต้นที่เคยเป็นต้นปู่ต้นญ้าต้นตาต้นใหญ่นี่ก็จะเลี้ยงเอาไว้ก็เลยสงสัยว่าไอ้ต้นไม้ต้นอื่นๆที่อยู่รอบๆที่คอยเลี้ยงตอเ น, นี่ยนะมันคงจะเป็นรุ่นลูกรุ่ น, นลหลานนะหรือเป็นเพื่อนนะมันเลี้ยงเอาไวนะออนน้นะเพราะตอเนี่ยนะอายุสามสิบปีแล้วเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายแล้วก็ไม่แข็งนะ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 นะพาไปพาหนีภัยนะสัตว์นี่เขาอยู่กันเป็นชุมชนช่วยเหลือกันมากนะแม้กระทั่งสัตว์ต่างชนิดก็ช่วยเหลือกันนะเคยดูคลิปวิดีโอหรือเปล่านะในสวนสาธแห่งหนึ่งนะมันมีมันมีหงตัวหนึ่งเนะี่ยคนก็เลี้ยงหงนะด้วยการเอาปลานี่มาให้หงไอหงตัวนี้นี่มันกินนิดเดียวนะ เเอาปลาที่เหลือนี่ไปไปทะไรรูม้มะเอาไปช่วยปลาตายหมดแล้วละ่ะก็ให้ปลาตายให้หงกินนะปลาเนี่ยก็ไม่ใช่แ ม, ไม่ไม่ใช่ปลาก็ไม่ใช่ขอโทษเอาอาหารเอาอาหารไปให้หง่นะพว <c oughs> กขนมปังเลพวเนี่ยนะหงงเนี่ยก็กินนิดหน่อยนะเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยก็ไปให้ปลา ปลาปลาที่อยู่ในบึงปลาอยู่ในสระเป็นปลาคาบบ้างปลานินบ้างนถึงเวลาอาหารเนี่ยนะถึงเวลาอาหารของโหงเนี่ยไอปลาในบึงในสระมันก็จะมาออกันอยู่ใกล้ๆโห ง, งเนี่ยอนยะู่ริมฝั่งใช่ไหมโหงกินอาหารเสร็จก็เหลือเสร็จแล้วก็เอาอาหารที่เหลือเนี่ยมาให้ปลานะให้ทีละตัวนะนะมัน มันคิดมันมันคาบคาบอาหารแล้วก็มาปล่อยให้ปลาทีลตัวทีละตัวปลาก็กินกินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปตัวอื่นกวมานี่เขาช่วยเหลือกันเดีย๋ยวนี้เราพบว่ามันไม้แต่ต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มกไม่ใช่หงนะไม่ใช่ช้างที่ทำแบบนี้ได้ต้นไม้ก็ทำแบบนี้เหมือนกั น, นเวลาเราไปอยู่ท่ามกลางต้นไม้ก็ให้รู้นะว่า อันนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางชีวิตนะที่เขาจะเรียกว่ามีจิตมีใจก็คงพอเรียกได้นะที่เอาใจใส่ช่วยเหลือกันเพราะไม่ใช่ทรัพยากรที่เราจะตัดนะเอาไปขายเพราะนึกว่ามันเป็นแค่คาร์บอนวิทยาศาสตร์บอกว่ามันคือคาร์บอนนะแต่ที่จริงเนี่ยมันมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเดือดเนื้อนะรู้ร้อนรู้หนาวนะเวลาเพื่อนถูกตัด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 นะดูแลเขาสนทนากับเขากอดเขาบ้างนะเวลากอดต้นไม้นี่ไม่ใช่เราที่ได้พลังจากต้นไม้นะต้นไม้เขาก็จะอบอุ่นด้วยนะคนที่ไปกอดต้นไม้เนี่ยบ่อยๆเนี่ยต้นไม้มันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตได้ดีนะเวลาเราร้องเพลงให้ต้นไม้ฝั่งต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ไวนะไอ้คนร้องก็มีความสุข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 เขาก็จะโตไวโตไวแล้วก็จะให้ร่วมงานกับเราแล้วเราก็จะมีความสุขทั้งตนมาและคนอ่ะละ <ขอ S 1> นะชาญโยเพื่อเท่านี้นะกราบพระ